อาโมงอาโมงเช้าที่หาเราทำบัตรสวดมนต์อะไรครึ่งชั่วโมงบัตรสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงมีมันก็ถือว่ายังกระท่อนกระแท่นอยู่ไม่เหมือนเรานั่งยาวๆมันไม่ได้ต่อสู้ มันยังสตรูมันยังรุมไม่เต็มที่มันอย่างเมื่อวานเรานั่งนานๆ น, น่ยมันได้ต่อสู้การที่เรานั่งนา น, นดีอย่างคือมันได้ต่อสู้เรื่องรู้ดํารู้แดงรู้ความสามารถของเราเองไม่งั้นนิสัยเดิมมันก็ดึงไปอย่างนั้นทำยุกยุกยิบยิบนิดๆหน่อยๆนะครับ แ, แล้วก็ขยับเปลี่ยน เปลี่ยนเรื่อง <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงหนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านไปเมื่อวานเราก็ขึ้นลงขึ้นลงกี่ครั้งสองครั้งสามครั้งครั้งสุดท้ายยาวหน่อยเรามีโอกาสให้สู้กันในสนามรบยาวหน่อยเหตุที่เราเหมือนจะคลําเครียดกันทั้งวัน ถ้าจะพักไปแล้วก็เราก็มีเวลาพักเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะเราเข้ามาทีละสองชั่วโมงเราไปพักสองชั่วโมงไม่เกือบสองชั่วโมงเราเข้ามาเกือบสองชั่วโมงเรากลับไปพักเกือบสองชั่วโมงมันไม่หนักหนาสาหัสหรอกแต่เราเห็นคุณค่าของ การพัฒนาชีวิตจิตใจของเรามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรการต่อสู้มันก็ต้องมีหนักมีเบาเป็นเรื่องธรรมดาการต่อสู้มีหนักมีเบามีพแพ้ ม, มีชนะมีหนักมีเบาเรากำลังการต่อสู้ มันไม่ใช่มีแต่คู่เดียวตัวต่อตัวมันนักมวยครับแม้แต่นักมวยคู่ต่อสู้ตัวต่อตัวเลยไม่รู้ก็จะมาสอบมาเข่ามาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาจะมีหมัดอย่างเดียวมีทั้งสอกมีทั้งเข่ามีทั้งเตะมีทั้งทีมต้องระวังอะไรบ้าง ไม่ใช่มันจะมาเท่าเดิมมันจะมาแต่คำปั้นมาก็มาแต่คำปั้นอย่างเดียวมาแต่เตะมก็เตะเตะอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้การต่อสู้จึงมีหนักมีเบาอารมณ์อะไรที่เห็นว่าหนักว่าเบาก็อารมณ์ในใจของเราแหละดูก็ไม่ใช่อารมณ์ในใจของเราม เ, เปลี่ยนทุกระยะทุกเวลาอะไรทําให้มันเปลี่ยน ในใจของเราอะไรทำให้มันเปลี่ยนเราใช้ความสังเกตสึงกาเข้าไปสิอะไรทำให้มันเปลี่ยนสังขารทุกอย่างมันเคยคงที่ไหมสังขารทุกอย่างไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่กับที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมสังขารตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่นับตั้งแต่ตัวเราย้อนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จนมาเดี๋ยวนี้อยู่เท่าเดิมไหมไม่มีอยู่เท่าเดิมข้าวปลาอาหารใส่เข้าไปทางปากอยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมต้นไม้เป็นดินพระอาทิตย์พระจันทร์ลมฟ้าอากาศมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเลย อารมณ์ภายในใจของเราจริงรวดเร็วมากกว่านั้นเราดูแลเราทาความรู้เท่าทันความเป็นไปของมันนี่คือความไม่คงที่คือความไม่น่าตายใจคือความไม่น่าตายใจคือความไม่ตายใจความไม่ประมาทความไม่นิ่งนอนใจ ความถอนตัวเพื่อไม่ยึดไม่เกาะกับสิ่งใดๆทางนั้นยึดเกาะไม่ได้ยึดยึดเกาะวัตถุใ ด, ดแม่ชิ้นเดียวสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปวัตถุใ ด, ดก็ตามแม่ชิ้นเดียววัตถุนั้นก็เปลี่ยนไปเราดูที่อื่นแล้วก็อาจจะดูเห็นได้ยากแต่ถ้าดูใบไม้ในป่าวันทีก็จะเห็นได้ง่ายอยู่ mm hmm. เดี๋ยวมันก็เหลืองเดี้ยมก็ร่วง เดี๋ยวก็ควาดกองอย่างเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวเราควาดกองบางแห่งเขาก็สุ้มกันเผากันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่เหมนกันเอาอะไรอยู่เท่าเดิมมีไหมดูมาที่กายของเราดูมาที่รูปธรรมของเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมเลยนับตั้งแต่ร่างกายของเรานะที่เรามองเห็นเป็นผมเป็นขนมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้า เป็นเล็บเป็นฟันเราดูมาง่ายๆเราดูมาที่เล็บพวกเรามันยืดมาตั้งแต่เมื่อไหรไม่เชื่อเราวันนี้ไปตัดให้เท่าเสมอกับเนื้ อ, อวันสาวันรงไปไม่รู้มันแอบโผล่มาตั้งแต่เมื่อไร่ตอนโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ร ต, อหรตอนไหนเราไปพามันโผล่มาหรือเปล่า เปล่าเลยสังขารเหล่านี้มันไม่คงที่มันไม่อยู่กับที่อย่างพระเราเราดูไม่ยากแม้แต่ครารวาสเราเราก็ยังดูง่ายดูมาที่หนวดนะียหยุดดูมาที่หนวดข็แล้ววันนี้เราโกนภาพอ้าวพวกนี้ขึ้นมาอยู่แล้วแอบขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรากไม่รู้ผมบนศรรีรษะเราโกนโกน เลี้ยนเรียบลุบไปเนี่ยลื่น เ, เวลาล่งไปล่งไปล่วงไปล่ปงไปเริ่มสากนะเริ่มยาวขึ้นมาดันขึ้นมามันไม่อยู่เท่าเสังขารทุกประมาณูทุกอนูทุกประมาณูไม่มีสังขารใดอยู่เท่าเดิมหากสแสดงลักษณะให้ปรากฏตามลักษณะกิริยาอาการของสังขารนั้นๆ เราดูเพื่อไม่ให้ประมาทไม่ให้นิ่งนอนใจเราดูตั้งแต่สังขารที่เป็นก้อนเป็นแท่งมาจนถึงสังขารที่เป็นอารมณ์ในใจของเราเราพยายามดูเมื่อไรอยู่เท่าเดิมเราดูเราเห็นแล้วเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เราไปยึดไปเกาะไปผูกพันไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้ท่านจึงไม่ให้ยึด ทำมจ ย, ยึดไม่ได้ถือไม่ได้เพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมท่านยวา่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายชราคร่ำคร่าคนเราเร า, เราดูาดูข้างในไม่เห็นเราดูแต่ข้างนอกอาการสาสองเนี่ยเราดูข้างในไม่เห็นเราเห็นแต่ข้างนอกเห็นอะไรเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังหนังคลุมหมด อย่างโคเมกายโุกายของเรานี้มีอยู่อย่างนี้กายของเรานี้มีอยู่อย่างนี้คํานี้เป็นคำปล ong เป็นคําปล่อยเป็นคํำปลดเปลื้องมีอยู่อย่างนี้โอ้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครไปทํามันไม่มีใครทําหากสังขารมันปร่งแต่ง สังขารมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ขึ้นชื่อว่าสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาเรียกว่าสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาเรียกว่าสังขารเราดูสิ่งสิ่งเดียวเราดูเห็นได้ยากเรามาดูดวงไฟหลอดไฟมันไม่ใช่สิ่งเดียวมีอะไรเป็นเครื่องประกอบหลายสิ่งหลายอยา่างกว่าจะออกมาเป็นไฟกว่าจะออกมาเป็นความสว่าง เราดูมาที่อะไรเราดูสิ่งใดไม่เห็นมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่หนึ่งเดียวเรามองไม่เห็นนอกจากว่าเราจะมาสมมุติว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่า น, นั้นเองหนั้นเรามองไม่เห็นว่าคืออะไรเป็นหนึ่งเดียวถ้วยเดียวแก้วเดียวจานเดียวอันนี้คือเราสมมุติเราดูไปที่ถ้วยที่แก้วมันประกอบไปได้วยอะไรบ้างกับถ้วยกับแก้วไปนะนี่คือตัวสังขาร คือสิ่งปรุงสิ่งแต่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมารวมกันเรียกว่าสังขารสังขาระสังขาระสิ่งประกอบสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นจากสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปสังขารเมื่อเขาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ปนไม้ภูเขาเราดูสิมีอะไรหยุดนึกอยู่กับที่บ้างเราเห็นว่ า, า, าศาลาหลังนี้อยู่เท่าเดิมไม่เห็นเดินไปไหนเสาเนี่ยอยู่เท่าเดิมลังคาอยู่เท่าเดิมสาเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ในส่วนละเอียดของมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่เหล็กกล้ามันก็เปลี่ยนไปแม้แต่เหล็กสเตนเลนมันก็เปลี่ยนไปแต่หากสิ่งที่มันแข็งมันก็จะเปลี่ยนไป ตามการตามเวลาเชื่องช้าล่วงไปล่วงไปล่วงไปมันจะเปลี่ยนตัวเขามันเป็นอื่นไปเปลี่ยนจากอย่างนั้นไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนจากอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นมันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะอายุมากเท่าไหร่แม้แต่จะไปอบัต ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นอายุเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับมันนานไหมกลับกับหนึ่งนานมากสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขาเปลี่ยนตบ๊บลงมาแล้วเปลี่ยนตบ๊บลงมาแล้วไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราดูเห็นง่ายๆแล้วก็ตั้งมโนภาพดูไปที่ท้องแม่ของเราตอนที่เราพวกเรามาอุบัติมาปฏิสนธิ ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่มีแต่ธาตุแม่มันก็เป็นราขึ้นมาไม่ได้มีแต่ธาตุพ่อมันก็เป็นราขึ้นมาไม่ได้ด้วยเหตุที่เป็นข้างเดียวมันไม่เข้ากันบางคนถึงไม่มีไม่มีลูกเนี้ยมันไปประกอบกันไม่ได้มันไม่สมดุลกันมันประกอบกันไม่ได้แต่ถ้าไปประกอบกันได้คือธาตุพ่อ ธาตุพ่อก็คือสังขารที่มันรวมตัวกันมาแล้วธาตุแม่ก็คือสังขารที่มันรวมตัวกันมาแล้วพอไปประกอบกันในท้องแม่กว่าจะไปประกอบกันในท้องแม่บ้างได้มันคืออะไรบ้างเป็นอะไรบ้างมาจากอะไรเราดูไปเถิย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเอาตัณหาน่กพ้นเหมัอนไหมตัณหาตัณหาที่ไหนตัณหาในใจของพ่อของแม่ ถ้าท่านไม่มีปัญหาตัณหาท่านจะไม่ประกอบการเจริญพันธ์แบบนะั้นี่นี่คือส่วนประกอบคือกองสังขารมีอะไรอยู่เท่าเดิมมีอะไรอยู่คงเดิมคงที่มไม่ ม, ม, มีพอประกอบเข้าไปแล้วตอนแรกๆเนี่ยเป็นน้าําใสๆตามลักษณะรูปพันธุ์สัมพานของการอุบัติเป็นมนุษย์พอประกอบกันไปแล้วถือว่าสําเร็จรูปในการประกอบเป็นวิธีการ เป็นวิธีการโดยหลักธรรมชาติรวมตัวกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นอื่นไปไม่ได้จะต้องเจริญไปตามรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามลักษณะของความการรบัวนเราเป็นมนุษย์เป็นน้ําใสๆเวลาล่วงไปเป็นน้ำข้นๆเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อโตขึ้นมาเลือยขยับขึ้นมาเรื่อยขยับกันมาเลยเป็นปัญจสังขารมีหัวมีแขนมีขามีลําตัว ผ่านอายุการไปเจ็เดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็ครบอายุสามสิบสองคลอออกมาเราเห็นช่วงไหนอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีอยู่เท่าเดิมแม้แต่ในก้อนสังขารนั้นเขาไม่อยู่เท่าเดิมด้วยเหตุที่ในก้อนสังขารนั้นไม่อยู่เท่าเดิมตัวรูปสังขารโดยรวมจึงไม่อยู่เท่าเดิมโตมาเลยโตมาเลยโตมาเลยโตมาเลย แต่ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าแก่มาเรื game. ่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาถ้าเป็นผลไม้คือมันแก่เข้ามาเรื่อยแก่เข้ามาเรื่อยนับตั้งแต่เริ่มเป็นเป็นปุ่มเป็นปมเป็นต่อมออกเป็นหมากโตเข้ามาเรื่อยโตเข้ามาเรื่อยคือแก่เข้ามาเรื่อยแก่เข้ามาเรื่อยแก่เต็มที่คือมีเมล็ดมีเปลือก มาที่เนื้อมันบางประเภทควรจะสุกควรจะเหลืองบริโภคได้อะไรได้เป็นมะม่วงเป็นมะขามอย่างเราดูใมีอะไรเท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราไปยึดให้มันเหนียวแน่นมั่นคงอยู่เท่าเดิมผิดหวา่ายึดอะไรผิดหวังทั้งนั้นยึดอะไรผิดหวังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ยึด แต่พวกเราอดทนทนไม่ไหวสู้สิ่งที่รบเร้าในใจของเรานะสิ่งที่รบเร้าในใจของเรามันบ่อยเรายึดให้เรายึดให้เรายึ ด, ยดชอบใจก็จยึดไม่ชอบใจมันก็ยึดนะชอบใจยึดเข้ามาไม่ชอบใจผลักออกไปยึดเข้ามาก็คือยึดด้วยแรงชอบใจผลักออกไปก็คือผลักด้วยแรงไม่ชอบใจทั้งสองอย่างคือยึดทั้งนั้นนะ คือยึดติดอุปาทานอุปาทานยึดมั่นถึงมันสําคัญมั่นหมายว่าดีว่าไม่ดีอ่านไหมมันละเอียดไหมยึดว่าดีหรือว่าไม่ดียึดว่าดีสิ่งตามไปก็คือดึงเข้ามาดึงเข้ามายึดว่าไม่ดีสิ่งที่ตามมาอีกคือผลัออกไปผลักออกไ ป, กออกไปมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันอยู่เรื่องนี้นี่เราดูให้เห็นความไม่คงที่ของสังขารของเรา สังขารเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมสังขารเป็นหนึ่งเดียวได้สังขารที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือสังขารที่ชำระสำเร็จรูปแล้วเหมือนพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าชักสำเร็จเสร็จสิน้นพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกที่ท่านชันท่านลานหมดอยากหัวใจไปแล้วท่านเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีสกับ ปนไ ม, ไม่มีปนเพื่อนกับคิเีตอย่างพวกเรานี้มีผู้รู้แต่ปนเปื้อนมากับกิรีตกลายเป็นสองอย่างกลายเป็นสองสิ่งเป็นกองสังขารมันพัฒนาตัวมันมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้จักมันพัฒนามาอย่างไงเราก็ไม่รู้จักว่าจะพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยนอกจากนั้นแล้วก็วนเวียนไปในวัฏฏะสงสาร กิพบใหญ่บ้างพบน้อยบ้างพบศูนย์พบต่ำเกิดเป็นสัตว์ในไร่ฉานเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ในอวบายเกิดเป็นเทวดาชั้นอินชั้นพรหมชั้นอะไรก็แล้วแต่ซับเปลี่ยนกันไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาดูไปแล้วคืออะไรเป็นตัวพัฒนาก็ตัวกรรมของเขานะ่ยมันเป็นตัวพัฒนากิริยาของการกระทำนี่มันพ้นดีพ้นบาปพ้นบุญไม่พ้นบาปบุญไม่พ้นดีชั่ว สิ่งเหล่านี้ก็มีผลตามมาคืออะไรความสุขความทุกข์ il, ตามมาความสุขความทุกข์ il, มันตามมากับเหตุกับปัจจัยของมันมันมีเหตุ ật, มีปัจจัยเพื่อความสุขมันก็สุขมีเหตุ ật, มีปัจจัยเพื่อความทุกข์ il, มันก็ทุกข์นี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกที่พุทธเจ้าท่านพยายามสอนให้พวกเราสิ่งนี้มีอยู่อย่างนี้สิ่งนี้มีอยู่อย่างนี้สิ่งนี้มีให้เราศึกษาศึกษาทราบแล้วก็ปล่อยวา ลอยได้จริงไหมวางได้จริงไหมเราดูไปสิดูแต่มันหลองยึดจนเหนียวแน่นมันคงพอเรามาทําความรู้จักเท่าทันอ้าวมันชะลอได้มันหยุดได้มันวางได้เพราะอะไรเพราะมันรู้มันเข้าใจและก็มันจำหนนจํามันต่อหลักของสัจญาธรรมจำหนนยังไงก็ท่านบอกว่ามันยึดไม่ได้ยึดไม่ได้มันต้องแก่ คุณไปยึดไม่อยากให้มันแก่มันคล่าครา่ามันเหี่ยวอคุณไปยึดไม่อยากให้มันคล่าครา่าไปยึดไม่อยากให้มันเหี่ยวยึดได้ไหมยึดไม่ได้สักอย่างต้องเจ็บดูที่เจ็บแค่ได้ป่วยไหมมีใครบ้างเจ็บแค่ได้ป่วยมีใครทนอยู่ได้ไหมไข้หวัดไข้หวัดเล็กไข้วัดใหญ่แลแ้วมันจะเป็นหวดหวดัวตัวร้อน เรียนดูเก็๊ยบรุนปวดนี่ปวดเส้นปวดเอ็นจากนั้นเป็นโรคหนักๆที่อวัยวะระบบระบบในร่างกายมันไม่สมดุลกันโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งเนี้ยโรคระบบในเส้นเลือดเราดูเถอะมีอะไรอยู่เท่าเดิมมีอะไรที่เรายึดได้มันเปลี่ยนแปลงเป็นโรคอื่นไปหมดเป็นอย่างอื่นไปหมดไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมเพราะ ตัวปรุงมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมมันปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างได้ส่วนบ้างไม่ได้ส่วนบ้างด้วยเหตุ น, นี้แหละเราจึงประสบประสบสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่เป็นประจำความไม่คงที่ของสังขารนั่นแหละท่านเรียก ว, วา่าท่านเรียกว่ากองทุกกองทุกเขาขึ้นชื่อว่ากองทุกขึ้นชื่อว่ากองทุกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมนี่คือกองทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนอยู่เท่าเดิมไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่คือตัวทุกข์คือกองทุกข์พระพุทธเจ้าทนทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังมันทนไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอันอิจฉานะทนอยู่ไม่ได้กับการเปลี่ยนไปเราจะว่าอันเดียวกันก็เกือบใช่เราจะว่าไม่ใช่อันเดียวกันก็เกือบใช่ แต่มันไปจากสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งเดียวรูปเดียวถ้าเราจะพลิกดูมันเราพลิกดูเรียนเนี่ยพอข้างหนึ่งเราดูตรงตรงก็เห็นเห็นเต็มเต็มพอเราเริ่มพลิกเริ่มเปลี่ยนอพอมันเริ่มพลิกมาพอไอ้ตัวหนึ่งลับไปไอ้ตัวนึ่งก็โผล่ขึ้นมาข้างหนึ่งลับไปหายวับไปข้างหนึ่งก็โผล่ขึ้นมามันยกมันเป็นอย่างนี้เลยท่านจิงว่าทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไป ทนอู่ไม่ได้เป็นภาวะของสังขาร <c oughs> เป็นลักษณะที่มีประจําอยู่กับกองสังขารสังขารทุกๆสังขารมีสิ่งเหล่านี้ประจําอยู่อณิจังเปลี่ยนไปเป็นอณิจังมีประจําของสังขารอยู่สังขารใดๆจะต้องมีอณิจังจะต้องมีทุกขงังจะต้องมีอณิจัง <c oughs> แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก เรารู้ผิวเผินข้างนอกมันไม่ชวนให้เราดูถ้าเราไม่มาตั้งใจภาวนาดูให้เห็นอันนี้แหละคือหลักสัจธรรมถึงขั้นสุดสูงสุดลึกซึ้งที่สุดสูงสุดที่สุดทําให้เราเราเห็นแล้วตัณหาในหัวใจของเรามันจำนนมันยอมสยบมันยอมจำนนโอใช่โอใช่โอใช่ ก็ว่าเราจะจับมาให้มันจำนนให้มันจำยอมจากหรือง่ายก็รู้สิกว่ามันจะถอนตัวกว่าจิตตัวนี้มันจะถอนเนี่ยกว่ามันจะละกว่ามันจะวางมากกว่ามันจะคลายกว่ามันจะจางมันยากหรือมันง่ายเพราะเราเกี่ยวข้องเราผูกพันกันมาเป็นกลับเป็นกับกลเป็นกลับเป็นกันเป็นกลับกัน อันนี้กชาตชาตินันชาตินั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นสัตว์เลี้ยงางก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในอาบายมาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาชั้นนู้นชั้นนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ขยับอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เกณฑ์ให้มันคงที่คงที่ไม่ได้เกณฑ์ไม่ให้มันเปลี่ยนไปเกณฑ์ไม่ได้แต่ตัณหามันเกรนไหมตัณหามันบังคับให้คงที่ใช่ไหมมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติตัณหา มันสวนทางกันกับหลักสัจธรรมแต่มันไม่ยอมจำนนมันเอาแต่ใจมันนี่คือการเอาแต่ใจไม่ยอมรู้ความจริงการเอาแต่ใจไม่ยอมรู้ตามความจริงขั้นตอนต่อไปเจออะไรเจอทุกความทุกข์มาเผาหัใจนะเราดูไปที่พฤติกรรมของใจของเรานิสัยจริตนิสัยของใจของเรา ถ, ถ้าใครมีนิสัยชอบยึดเจอบทำอะไรตามใจสิ่งที่ตามมาคือผิดหวังยึดให้มันเที่ยงมเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันอยู่เท่าเดิมไหมมันไม่อยู่เท่าเดิมมันต้องเปลี่ยนไปไ ม, มันต้องเปลี่ยนไปมีอะไรคงที่บ้างพ่อแม่พี่ น, น้องเพื่อนฝูงปู่ยา่าตา ย, ยายมีใครอยู่เท่าเดิมไปไม่มีใครอยู่เท่าเดิม เดี๋คนนั้นหุไปเดี๋ยวคนนั้นร่วไปเดี๋ยวคนนั้นร่วงไปเดี๋วคนนั้นร่วงไ ป, งไปหันมาดูที่ตัวเราชราไปสรุดโทรไปเหี่ยวไปแห้งไปเห็นได้ชัดกําลังบางชาอ่อนลงอ่อนลงผลผมขาวโพลนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกมีอะไรเท่าเดิมไม่มีเท่าเดิมยึดอะไรไม่ได้สักอย่าง ท่านจึงให้เราศึกษาให้ดูให้วาดให้คาดหน้าคาดหลังเพื่อให้ตัณหาในหัวใจของเราจ้ำนน์จ้ำนนตอนหลักฐานจ้ำนน์ต่อเหตุผลอ้อันนี้มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้สังขารเหล่านี้เขามีอยู่นี้เป็นอยู่นี้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นรูปอื่นไปได้ด้วยเหตุที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปอื่นไม่ได้นี่เองเพื่อจะให้เป็นไปตามอํานาจของตัณหาในหัวใจ เปียนแปลงเป็นไปนตามนั้นไม่ได้บังคับให้เป็นไปนตามใจหวังไม่ได้สักอย่างพระพุทธเจ้าท่านจริงทรงตรัสว่าอนัตตานี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราดูให้ออกก็เป็นกรุยหมายป้ายทางในการที่เราจะมาพิจารณาจนกว่าเจะรู้จะเห็นด้วยปัญญาปัญญาพื้อนๆก็มาทูมมาไทยมาขัดมากราวสิให้เกิดความใู้เกิดความเข้าใจใกล้เข้ามาละเอียดเข้ามาะเอียดเข้ามา จนความจะเกิดเป็นปัญญาญานปัญญายาณถึงขั้นเห็นสัจจะเต็มที่เจ่มแจ้งชัดเจิงก็วิปัสนาวิปัสนาญาณวิปัสนาไม่ใช่มันจะเป็นไปเองมันไม่เป็นไปเองมันต้องใช้เรี่ยวแรงพินิพิจารณาจนความจะถึงขีดถึงขั้นที่มันจะเป็นเองมันเป็นเอง เป็นเองก็คือเป็นปัญญายาเป็นวิปัสสนายาระหว่างที่เราทำเราติดเราถูเราไถเราก็ทำไปพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อเกิดความรพ้่เกิดความเห็นอะไรก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่คงถนเห็นความไม่เที่ยงอีกเห็นความบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจของตัณหาไม่ได้บังคับให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ด้วยเหตุที่มันจาหนอน ด้วยเหุที่มันจํานนจําใจตัณหามันก็ถูกจิตของเราเนี่ยรู้เท่ามันรู้เท่ามันกิริยาเหล่านั้นกิริยาเหล่านั้นมันก็จะมาคุ้นในใจไม่ได้มันเท่ากับถูกปอกไปถูกปอกไปปอกไปปอกไปลอกไปลอกไ ป, กไปขัดไปออกไปออกไปเนี่ยมันมาคุ้นกับจิตของเราไม่ได้แล้วเพราะอะไร เพราะเวลาไปเจอหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วมันมีแต่ข้อมีแต่เรื่องเท็จเท่านั้นไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันหลอกให้เราเชื่อตามมันนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาแบบนี้เป็นอนัตตาของพระพุทธเจ้าแต่กิเลสมันบอกว่าอัตตาอัตตาอัตตาอัตตาตัวของเราตัวของเรายึดมั่นถือมันทิฏฐิมานะอยู่นั่นสําคัญมั่นหมายเพ้อเวอรอยู่นั่นแหละ ไม่เคยไม่ยอมไม่เคยไม่เคยยอ ม, ม, ย, ม ย, ยอมยอ ม, ย, ยอมจำหนอนต่อหลักฐานต่อข้อเท็จจริงอันนี้เป็นหลักฐานขั้นละเอียดขั้นสูงสุดที่เราตั้งใจพิจารณาเพื่อให้เห็นรากเห็นเงาของกองทุกข์ในหัวใจของเราอย่างอื่นมันผิวเผินที่เราเป็นเราอยู่เรเรา่เร า, เ ร, าร้อนเลือดร้อนทุกยากแก้ปัญหานน่นแก้ปัญหานี่สารพัด มีแต่ปัญหาผิวเผินอยู่ข้างนอกครับเราไม่เคยเจาะลึกเข้าไปข้างในไปถึงสาเหตุต้นตอของมันเราไม่มีโอกาสที่จะพบที่จะเจอสิ่งเหล่านี้ได้แก้อยู่แก้ยังไงก็ไม่จบในเมื่อมันมีช่องมีรูที่มันผลิออกมาเรื่อยผลิตออกมาเรื่อยผลิตออกมาเรื่อยเราไปแก้ยังไงวันนี้แก้มันก็โผล่ขึ้นมาอีกวันนี้แก้มันก็โผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราขยันแก้ก็เหมือนกับเราขยำขยันขัดสนิมัน โผล่ขึ้นมาก็ขัดโผล่ขึ้นมาก็ขัดโผล่ขึมาก็ขัดขัดจนอยู่เท่าเดิมขัดจนไม่เปลี่ยนแปลงขัดออกไปจนหมดแต่ว่าจิตคือผู้รู้นี่สามารถชักลากออกไปได้หมดจิตที่ชักลากออกไปได้หมดก็คือหมดมนลถินหม ด, หม ด, หมดกิเลสหมดตัณหาหม ด, หาหมดอาสวะเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวขอ้อคงที่เท่าเดิม ขึ้นชื่อว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่เท่าเดิมเพราะชักออกไปหมดแล้วลากออกไปหมดแล้วสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเราเห็นจะเป็นจะเป็นสิ่งนี้เลยสิ่งนอกนั้นเนี่ยเราดูอุปมายังไม่ออกเพราะว่ารอบข้างตัวเรานับตั้งแต่รูปตัวเราไปถึงสัญญาอารมณ์หัวใจของเราไปถึงวัตถุอยู่รอบข้างตัวเรา ไม่มีสิ่งใดสิ่งเดียวที่จะเป็นหนึ่งเดียวมีแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งนั้นเนี่ยเราดูเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นเพื่อไม่ให้ตัณหามันมาปิดหูปิดตาเราถ้าให้เราไปยึดสิ่งนู้นยึดสิ่งนี้เกาะสิ่งเกาะสิ่งนี้เกาะโยร่ำไปแล้วก็กระเเกนด้วยนะบังคับให้เป็นไปตามใจเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์ทุกมากทุกน้อยทุกมากก็ตามทุกน้อยก็ตาม มันทุกเกิดขึ้นจากการบังคับให้ถูกใจตัวเองทั้งนั้นนะลองไปพิจารณาดูต้นต่อให้ดีบังคับสิ่งนั้นให้ถูกใจบังคับสิ่งนี้ให้ถูกใจบางครั้งก็เปิดเผยมาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จักว่าเราบังคับบางครั้งมันก็มีอยู่ในใจนะั่นมันบีบังคับให้ถูกใจให้ชอบใจอะไรเป็นตัวบังคับมันเกิดขึ้นมาเองกไหมตั้หามันบังคับถูกไหม หลับหูหลับตามาคับไปนั้นมันไม่เคยจํานอนจําใจถั่ลหลักของสัจธรรมไม่มีสิ่งใดียมดรอบล้างมันได้นอกจากสัจธรรมเอาหลักสัจธรรมมาไปจันหน้ามันมันถึงจะจำนอนจำนอนจําใจยอมแพ้ลงไปราบหมดประตูสู้หายไปเลยสลายไปเลยไม่มีตัวไม่มีตน กิริาการความเร็วสามของใจของเราเองไม่ใช่อะไรความดื้อด้านของใจของเราเองเราจะไปหาอย่างอื่นไม่มีความเร็วสามของจิตของเราเองด้วยเหตุที่เราครุกคลีติมมงกันมาตลอดเราไม่เคยชาติเคยลังเราไม่เคยขัดเคยเรามันก็มีอย่างนี้เป็นอยู่นี้ไม่จบเพราะชนวัฏสงสารไม่มีจบถ้าหากเราไม่มาลุกไม่มาพิจารณา ยังน้อยเราไปยังไม่ถึงที่สุดเราก็รู้เหตุรู้ปัจจัยที่เป็นเหตุก่อกว้ความทุกข์ในหัวใจของเราเราจะรู้จักช่องรู้จักทางรู้จักอุบายเพื่อที่จะลดเพื่อที่จะเลิกจะละจะปล่อยจะวางเพื่อความสุขเพื่อความเจริญในหัว ใ, ใจของเรานี่เรานั่งเรายืนเราโดนเรานอนเราสมถะความสุขอันนี้ได้ในหัวใจของเราอืม้าวหมดเวลาแล้ว ได้เวลาพลิกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วอเอาวันนี้ธรรมะรุ่งอรุณตอนเช้าเราก็ตอพรับกันแค่นี้ เห็นหรือยังเดินได้ยังเห uh. yeah. uh. ็นหรือ hmm. ย hmm. ังอ่ะไปเดินมันมืดแหละดีมันจะได้มีใครเปในสัจจิต่อไหมอ่ะมีใครสละเป็นสละตายไหมเห็นโทษเห็นไฟบ้างไหม ผนที่เราคาดว่ามันจะได้อะไรบ้างที่เราคาดคาดเอาไว้เมื่อวานมีอะไรเริ่มมาปรากฏบ้างหรือยังได้รับความสุขใจไหมมันสงบบ้างไหมได้รับความเอบองิงมในหัวใจบ้างไหมเกิดความรู้สึกว่าเราได้บุญไหมความสุขใจนั่นแหละคือบุญ อย่างอื่นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้ความสําคัญหรอกท่านสําคัญให้ความสําคัญที่ความสุขใจทําอะไรทุกอย่างท่านให้ท่านให้ให้ได้ให้สมประสงค์สิ่งสองอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความสุขนั่นแหละคือประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมีความรู้มีวิชามีความรู้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข มีลามียศมีเกียรติก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมีทรัพย์มีศินมีเงินมีทองมีอะไรเขาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ตนมีความสุขเฉพาะตนเพื่อประโยชน์ท่านมีความสุขเฉพาะท่านไม่ใช่โอ้คนนั้นมีกองใหญ่เท่าภูเขามีกองใหญ่กว่าคนนั้นมีทรัพย์ ของใหญ่กว่าคนนั้นมีทรัพย์กองใหญ่กว่าคนนั้นมีทรัพย์มากกว่านอกจากคนมีบุญจริงๆที่เันเรียกว่าเศียถีเศรษฐีเหมือนสมัยอนาถสมัยพุทธกาลอนาถวิธิกเศรษฐีนั้นอั น, นั้นคือบุญเขาเขาจับใจเท่าไหรไม่อดไม่อัน้นเป็นสบียงเป็นสบียงเป็นคลังสำหรับเลี้ยงพระสวกของพระพุทธเจ้ามันเป็นการเกื้อคูลกัน สิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นสิ่งที่เป็นมาตามเป็นเป็นมาตามๆกันบุญญาบา ร, รมีสืบสอยห้อยตาม mm hmm. เพื่ออะไรที่เราทำมาทั้งหมดเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อประโยชน์ mm hmm. เพื่อความสุขหิตายะสุขายะดูที่ในคำที่เราถ้อยของนะหิตายะเพื่อประโยชน์ สุขายะเพื่อความสุขมีแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสรรเสริญโอ้คนนั้นมียศมากๆมีเกียรติมากๆมีทรัพย์กองมากๆตอนี้ฉีเนี้ยมากๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญทำให้จะเกิดประโยชน์ประโยชน์สลับตัวเองประโยชน์สลับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพราะงการเพื่อแพร่ความสุขมันจึงเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปเบียด เ, เบียนกัน การเบียดกันเบียดเบียนกันไม่ใช่วิธีของพระองค์มันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านนั่นเพื่อทุกขของตนเพื่อทุกข์ของท่านนั้นไม่ใช่มันเป็นวิธีการของพญามารไม่ใช่วิธีการของพระคุณเจ้าพระองค์ไหนก็ตามผิดผิดหลักจากคําสอนของพระองค์นั่นเพราะฉะนั้นเราเห็นพฤติการข้างนอกพฤติการใดก็ตามเป็นอย่างนั้นนั่นพฤติการของลูกสมุนของพญามาร